ระหว่างที่ครัค่ะท่านกําลังฟังสถานีวิทยุครอบครัวข่าวและวิทยุพระพุทธศาสนาแห่งชาติเฉลิมพระเกียรตินะคะกับรายการสันนิษฐานาที่มีดิฉันสันนิษฐานาพงศ์งดำเนินรายการกับพระภิกษุ2รูปรูปแรกนําท่านปฏิบัติธรรมไปแล้วก็คือพระภิกษุจากวัดเดียวกับพระอาจารย์คึกฤต์ที่ได้แจกหนังสือพู้ทวจะนะให้กับเราฟังเป็นประจําพระมาร์ชาคาวโรค่ะส่วนพระภิกษุรูปที่สองกำลังจะพาท่านฟังมาพบ เดี๋ยวนี้เลยนะคะนั่นก็คือพระภัยบุญอภิปุนโนจากวัดป่าดอนไยโซอุดรธานีท่านจะมาเปิดธรรมที่ถูกปิดด้วยพุทธวัจนะกราบมรนวัสดิ ก, กันท่านคะเชิญพานค่ ะ, ค ะ, คะมีอีกเรื่องหนึ่งนะคะที่ค้างจะกราบเรียนท่านหลังจากที่สนทนาธรรมกันเมื่อวันก่อนที่ผ่านมาแล้วก็ได้มีการกราบเรียนถามถึงว่า ทำไมมนุษย์ถึงเกิดเยอะแล้วก็พูดยาวไปเรื่อยก็มาถึงตอนที่บอกว่าถ้ามนุษย์เนี่ยมีโอกาสหลุดพ้นได้ท่า น, นบอกใช่ไหมคะว่าปฏิบัติไปเรื่อยๆๆๆก็มีโอกาสที่จะหลุดพ้นได้คําถามของที่ฉันคิดว่าท่านฟังหลายท่านก็อาจสงสัยอยู่ในใจว่าถ้าใช้ชีวิตแบบคนที่พอเห็นไอ้นั่นกับปรงเห็นไอ้นี่กับปรงตามธรรมะของพระศาสดาเนี่ย ชีวิตที่เหลืออยู่กว่าจะเสียชีวิตเนี่ยมันไม่เส็งแย่แลคะคท่านครับสิ่งที่เกิดขึ้นหลังจากที่เราปล่อยวางได้ปลงได้เนี่ยจะจะคืออะไร <c oughs> ต้องถามต้องถามงี้แตถ้าคนไม่เคยรู้ไม่เคยเห็นเนี่ยเขาคิดว่าจะไม่มีอะไรเป็นความเซ็งสังกตายไปแต่ถ้าเราได้เคยรู้เคยเห็นเคยพบนะจากการที่เราปล่อยวางปลงได้แล้วเนี่ยสิ่งที่เหลือเนี่ย โอ้ยมันเป็นปีติสุขมันเป็นความสบายใจมันเป็นความอิ่มเอิบใจมันเป็นความอุเบกขามันมีความสุขมากกว่าที่เราจะไปยึดถือเอาไว้นะเพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าเคยบอกอย่างนี้บอกว่าคนที่ไม่เคยรู้ตรงนี้เนี่ยนะแล้วเขาจะมาทําตรงนี้ให้เกิดขึ้นเนี่ยไม่มีทางนะแล้วถ้าใครยังเ อ, อิ่มเรียรพร้อมด้วยกรรมคุณทั้ง5แนละยินดีอยู่ในกามทั้งหลายเนี่ยจะมาทําตรงนี้ให้เกิดขึ้นเนี่ยไม่ได้ค่ะแต่ถ้าเมื่อไหร่เรามาลองทดลองดู นะทดลองดูมามาอย่างน้อยมาพยายามการทําสมาธิที่เป็นรูปแบบบ้างนะหรือว่าพยายามที่จะปล่อยวางคลายเจ้าการมคุณตั้งหลายเหล่านี้ลงบ้างนะมาเห็นบ้างลางๆก็ดีนะอันนี้จิตคุณจะน้อมมาได้คุณจะพยายามทําให้เห็นขึ้นมาได้ในเมืองไทยเนี่ยจึงมีการฝึกที่เป็นรูปแบบอย่างนี้เยอะแยะไปหมดเลยนะที่วัดป่าดอนในโสเราก็มีทําเดือนละครั้งเหมือนกันค่ะขณะนี้ทําอยู่หรือเปล่าคะใ น, นสัปดาห์นี้คะใช่วันที่สองถึงวันที่สิบ <ข>ก็เป็นจัดใส่ข้าวพรษาเลยเออจัดใส่วิสาขาบูชาเลยก่อนมาวัดทำบุญไม่ต้องพูดอะไรมากคุณนั่งสมาธิเลยแล้วก็กลับไปได้ <laughs> นั่งสมาธิในห่วงเวลาวิสาขาบูชากับคือหมายถึงว่าวันสำคัญของพระพุทธเจ้าเนี่ยกับการนั่งสมาธิในทุกๆวันเนี่ยแตกต่างกันไหมคะแล้วการนั่งสมาธิลำพังกับการนั่งสมาธิกับคนหมู่มากแตกต่างกันหรือไม่คะโอ้ อ, อม ก็ต้องมีทั้งต่างแล้วก็ไม่ต่างนะพระเจ้าเคยพูดถึงการที่เราเสพคบกับบุคคลใดบุคคลหนึ่งนะถ้าเรานั่งสมาธิกับคนหมู่มากแล้วจิตเราไม่ได้ตั้งมั่นงั้นเราก็อย่านั่งแต่บางทีเรานั่งสมาธิกับคนหมู่มากแล้วจิตเราตั้งมั่นได้เราก็ทําซะคือบางคนอาจจะไม่เหมือนกันคือบางคนเห็นคนอื่นเขาทำเนี่ยฉันก็ต้องทําบ้างแต่บางคนอาจจะคิดว่าเอ้อคนอื่นมันทําแล้วมันกวนเราฉันไปทาคนเดียวดีกว่าอันนี้ก็มีเหมือนกันแต่เพราะฉะนั้นทําอันไหนแล้วจิตเราจะตั้งมั่นเอาอนั้นทําอนนั้น ธรรมบุญเจ้าให้เกณฑ์ในการวัดอยู่2อย่างนั่นคืออาสวัที่ยังรับไม่ได้ก็รัได้นั่นจิตที่ยังไม่ตั้งมั่นก็ตั้งมั่นแต่ถ้าเป็นอย่างนี้น่ยจอให้คุณจะอยู่ที่วัดคุณจะอยู่ที่บ้านนีหรือว่าทําวันไหนทําได้เอาทั้งนั้นเนี่บางคนนั่งสมาธิเวลาเช้าดีเอาก็ตามบางคนนั่งสมาธิเวลาเช้าไม่ได้เพราะเป็นง่วงงงเงียเอาทําตอนเย็นก็ได้แต่บางคนทําตอนเย็นดีกว่าทําตอนเช้าก็แล้วแต่คนอย่างนี้ครับเพราะว่าบางครั้งมันก็มีความเชื่อนะคะว่า การนั่งสมาธิถ้านั่งรวมๆกันจำนวน ม, มากยิ่งเป็นพันคนเป็นหมื่นคนเนี่ยมันจะเกิดพลังอย่างมาหาศาลเลค่ะอืมเอ่อเป็นอย่างนั้นไหมใช่ไหยค่ะพระเจ้าเคยพูดถึงจํานวนคนที่มหาศาลมหาศาลเยอะๆเนี่ยเรามีกําลังจิตขึ้นมาเนี่ยนะเอ่อในหมู่คณะนั้นเนี่ยจะเป็นหมู่คณะที่มีกําลังเป็นหมู่คณะที่เลิศแต่เพราะนั้นะถ้าผมว่าในหมู่คณะเนี่ยเราพากันทำหมดเลยแตนะ่ทุกคนก็มีจิตใจดีๆกันหมดเลยนะตรงเนี้แหมดีมากนะเป็นหมู่คณะที่ควรยกย่อง ว่ามันก็มีกําลังของเก่าแน่นอนนะอันนี้นะค่ะเพราะฉะนั้นในโอกาสที่เขาชวนไปทําในสิ่งที่มีคุณค่าพร้อมๆกันมีโอกาสก็ไปเถอะแต่ไปแล้วอย่าไปคุยกันใช่ไปปฏิบัติสมาธิเอถึงแม้ตัวพระองค์องเองตอนที่เป็นโพธิสัตว์ก็ตามนะก็ได้ระบุว่าพระเคยทําเหมือนกันในโดยการชักชวนหมาชนเป็นนั้นมากเนี่ยในการสร้างกุศลในการให้ทานในการรักษาศีลในการทําสมาธิเคยบอกไว้ว่าพระองค์องเองก็ทําในสมัยที่เป็นโพธิสัตว์อยู่ค่ะอื แปลว่าทําคนน้อยก็ได้คนมากก็ได้ <c oughs> ก็มีอ่าความได้ผลเหมือนกันและแตกต่างกันแล้วแต่เงื่อนไขปัจจัยใช่ขอให้ทําขอให้ทําทั้งเหมือนและต่างขอให้ทําแต่ละกันนะคะนี่ก็ได้อีกแง่มุมหนึงนะคะเนี่ยทำให้ตัดสินใจได้ถูกว่าจะทํายังไงดี <c oughs> <c oughs> ก็จะได้เปลี่ยนบรรยากาศได้โดยแปลว่าถ้าปฏิบัติทำแล้วปฏิบัติที่ไหนก็ได้ อย่างไรก็ได้ขอให้ตรวจสอบได้เห็นไหมคะ<ช>ว่าปฏิบัติแล้วเป็นยังไงนะคะว่าอสวกที่ยังละไม่ได้ก็ละได้นะจิตที่ยังไม่ตั้งมันก็ตั้งมันนะคําว่าอสวกที่ยังละไม่ได้ก็ละได้เนี่ยหมายความว่าคุณก็ปล่อยวางได้มากขึ้นนะเรื่องอะไรบางทีโกรธผัวด่าให้เพื่อนร่วมงานด่าใหนะ้อันนี้ปล่อยวางได้อ่าทําที่นั่นทําแบบนั้นละดีเอาทําได้ค่ะท่านพิบูลคะก็มีเวลาที่ ยังเหลืออยู่พอดีมีคำถามทางเพียวธรรมะคอมหนึ่งศูนย์หกแต่เซนก็คิดว่าไม่อยากให้รอไปนานกว่าเนี้นะคะได้เป็นคําถามของอ่คุณยุพาใช่ไหมคะยุพาใช่บอกว่าเป็นปัญหาของคุณแม่เพราะเหตุใดลูกๆพูดอะไรไปเนี่ยแม่ไม่เคยเชื่อเลยไปเชื่ อ, อคนอื่นอันนี้จะเป็นเรื่องไม่ดีแล้วก็ชอบเอาเรื่องไปเล่าให้คนอื่นฟังในเรื่องเสียหายทั้งที่มันไม่จริงอืมทั้งๆ ท, ที่ลูกก็ทําดีกับแม่ทุกอย่าง ลูกเนี่ยอายุสามสิบขึ้นกันทั้งนั้นมันเป็นกรรมหรือเปล่าดิฉันอ่านให้หมดก่อนแล้วกันนะคะเดี๋ยวท่านวาอิจิรไปเด็นท่านมองเห็นคําถามอยู่แล้วถูกไหมคะใช่ใช่มีทำข้อไหนบ้างที่สามารถแก้ไขได้บ้างเพราะมีคนเคยมีปัญหาแบบนี้แล้วพระอาจารย์เคยตอบไปแล้วแต่วันนั้นน่ะวิทยุเสียทํางานที่ทํางานไม่สามารถฟังได้ขอให้ช่วยตอบด้วยเพราะว่าตอนเนี้ยแม่เนี่ยมีปัญหากับลูกลูกมากขึ้นทุกวันทำให่น้องคนเล็กรุ่งใจมากกับการกระทํา ขอแม่และน้องสาวก็เครียดขึ้นทุกวันเพราะว่าเขาอยู่กับแม่ททั้งวันอขอความเมตตาด้วยทีนีน้ประเด็นประเด็นแรกก็คือว่า <c oughs> มารดาบิดานะ <c oughs> เป็นผู้ที่มีบุญคุณมีอุปการะกับเรามากนะ <c oughs> เราทําอย่างไรก็แล้วแต่เนี่ยก็จะต้องระลึกถึงบุญคุณอันนั้นนะเพราะฉะนั้นทําให้มาสู่ประเด็นที่2ว่าในเมื่อบุคคลที่มีอุปการะกับเรามากขนาดเนี้ยเราจะไปด่าไปว่าเนี่ยไม่สมควรเราไม่ว่าท่านจะไม่ดีขนาดไหนเนี่ยนะเราก็จะต้องอยู่ในมัก เราจะไม่ออกนอกมรดเดชขาดเพรา ะ, ะนั้นการด่าว่าคนอื่นนะการคิดอาฆาตพยาบาทมุ่งร้ายอันนี้ไม่ดีแน่นอนให้เลิกซะนะถ้าทําอยู่ให้เลิกนะแล้วถามว่าเอาละพฤติกรรมอย่างนี้จะแก้ยังไงอันนี้เป็นโอกาสแล้วที่เราจะสร้างบารมีพระพุทธเจ้าบอกว่าถ้ามาดาบิดาของเราไม่มีศีล น, นะไม่มีไม่มีศรัทธาในพรนะพุทธเจ้านั่นเลยเห็นตัวอย่างชัดเจนนะว่าคุณแม่เนี่ยคุณโยมแม่เนี่ย อาจจะยังมีศีลไม่ถึงพร้อมอาจจะมีศรัทธาไม่ถึงพร้อมเห็นได้ชัดเจน2กรณีแล้วนะคือยังไปเชื่อเพื่อนอยู่ยังไม่เชื่อพระเจ้าตเต็มที่ยังปฏิบัติไม่ดีอยู่พูดไม่ดีอยู่แสดงว่ายังสามารถทําศีลให้ดีขึ้นได้นั้นะเราใช้2องเหตุ น, นี่แหละเอาแค่ศีลกับแค่ศรัทธาแต่ถ้าบุคคลใดไม่มีศีลทําให้ท่านมีศีลถ้าบุคคลใดไม่มีศรัทธาทําให้ท่านมีศรัทธาเนี่ยเป็นการตอบแทนบุญคุณชนิดที่มหาศาลจริงๆนะคือถ้าเราเห็นว่าท่านเป็นคนที่มีอุปการะแ ก, กเรามากเนี่ยนะยิ่งต ค่ะคำถามต่อไปเลยค่ะล้วคุณแม่หนูอาการนนะขนาดนี้ทําได้อย่างไรละคะที่จะให้มีศีลมีศรัทธาค่ะเอาเริ่มอันแรกก่อนก็คือหยุดที่ตัวเรานะถามว<ม>่าคุณเนะี่ยทำหน้าที่ของลูกอย่างดีหรื อ, อยังนะเป็นผู้ที่ดํารงตนเป็นทายาทหรื อ, อยังนะรู้จักรักษาปฏิบัติตนเป็นทายาทดํนะารงอยู่ในอริยวงหรื อ, อยังนะถ้าตัวเราดีเนี่ยนะตัวเราเป็นผู้ใหญ่ที่ดีสามสิกว่านี้ไม่ไม่น้อยแล้วนะเป็นผู้ที่รู้ถูกรู้ผิดเลี้ยงชีวิตตัวเองได้ นะสามารถที่จะดําเนินอยู่ในมาร์กตัดสินใจอะไรต่างๆได้นะเพราะฉะนั้นถามว่าคุณตัดสินใจในช่วงคุณนะเนี่ยอยู่ในมาร์กไหมเราทําดีไหมในเรื่องศีลของเราเราทําดีไหมในเรื่องศรัทธาของเรานะ้าว่าจางของเราเป็นยังไงแต่ถ้ามารดาบิดาเห็นเราเป็นคนดีแล้วเนี่ยอันนี้เราจะเชิญชวนท่านมาดีไดนะ้แต่ถ้าในทางตรงข้ามถ้าเรายังก็ผิดศีลอยู่ยังด่าว่าอยู่อารมณ์จี๊จ๊าดอยู่แล้วบอกให้ e y, แม่เงียบสิให้แม่แบบว่ามาปฏิบัติธรรมสิอ้วนมันจะไปได้ยังไงตัวเองไม่ทําค่ะ อย่างหลักสูตรการเล่นวัป่าดอนไห้โศกเงี้ยถ้าระบอกวทุกคนต้องเงียบนะแต่คนบอกให้คนอื่นเงียบเนี่ยยังพูดเปล่าๆอยู่เลยเนี่ยไม่มีทาง่ะเนะช่นเดียวกันถ้าเราจะชักชวนให้คนหนึ่งเขาทําอะไรคุณเป็นอย่างนัง้นหรือเปล่านะเอาแว่นส่องหน้าตัวเองดูนตะ่ว่าถ้าเรามีศรัทธาเรามีศีลนะคุณชักชวนก็ได้นะค่ะเพราะฉะนั้นถามครอบคลุมเรื่องค่ะถามมันมีประเด็นหนึ่งคือเรื่องของกรรมไหมค่ะอันนี้เป็นกรรมแน่นอนแล้วทําไม ทำไมถามว่าคนอื่นที่เขาไม่มีศีลไม่มีศรัทธาทําไมเราไม่จีต์ทาไมเราต้องมาจีต์กับบุคคลนี้บุคคลเดียวเพราเป็นแม่เราไงเพราะฉะนั้นทำไมทําไมคนอื่นที่เขาเป็นแม่คนอื่นเขาก็ทําเหมือนกันนะเขาก็เป็นทําไมเราไม่จีต์นะนี่แหละคือลักษณะของกรรมเก่านะกรรมเก่านี่คือความที่เรามาต้องรู้สึกกับอารมณ์ได้ทําไมเราต้องมารู้สึกกับอารมณ์ของคนนี้นะทาไมไม่เป็นคนอื่นนะก็นี่ไงคือกรรมเก่าอ๋อขออีกครั้งได้ไหมคะกรรมเก่ากรรมเก่าเนี่ยคือความที่เรารู้สึกต่ออารมณ์ได้ เพราะฉะนั้นถ้าเรามารู้สึกต่ออารมณ์ใดอารมณ์หนึ่งที่มากระทบใช่ไหมในกรณีนี้คือผัสสะนำมากระทบละการที่แม่เป็นอย่างนี้วุ่วายออกมาเนี่ยเป็นผัสสะละเอ๊ะแต่แม่คนอื่นก็ทําอย่างนี้เหมือนกันนะแต่เราไม่จีดอ่านี่แหละความที่เราจีดหรือไม่จีดเนี่ยเป็นกรรมเก่าไงเพราะว่า<ม>ความที่เรารู้สึกต่ออารมณ์ได้แสดงว่าบุคคลที่ทําผัสสะเนี่ยมีกรรมรเราอยู่อันนี้แน่นอนอท่านฝังที่ขับรถอยู่ทํากับข้าวอยู่กําลังทําอะไรอยู่ชนักเลยนะคะ โอ้โหหายสงสัยเลยเนี่ยว่าที่แท้ก็มีกรรมเก่าของแม่อีนูนี่เองหรือว่าคุณพ่อของลูกนี่เองอเพราะว่าดูเหมือนกับว่าเราจะมีความรู้สึกต่ออารมณ์ที่เกี่ยวกับคล น, นี้เท่านั้ น, น, นอ่าใช่ <c oughs> แต่นี่ถามว่าเราจะแก้กรรมยังไง <c oughs> อ่ะค <c oughs> ่ะเออก็จะแก้กรรมด้วยวิธีการ <ทน S 1> ปฏิบัติตามมักมีองแปดไงนะคือเราจะอยู่ในมักมีองแปดได้คุณยมติวเราต้องอดทนมาก เนะี่พราะว่ามันจะมีเครื่องมาผักเราดึงเราฉุดเรากระแทกเราให้เราหลุดออกจากมาร์กเนี่ยเดี๋ยวนี้โทรศัพท์มาละนะโทรมาจีบละโทรมาว่าละนะอะไรนี้นนอะไรก็พูดขึ้นมามันเริ่มฮึ่มฮึ่มละฮึ่มฮึมนี่ก็จะทําให้เราผิดศีลผิดมาร์กใช่ไหมพอเราผิดศีลผิดมาร์กแล้วเราจะชักชวนให้เขาไปในทางดีเนี่ยโอ้ยอย่าหวังเลยเนะพราะนั่นถามว่าไอ้อะไรที่เราทำเนี่ยนะมันก็จะจีดท่านเหมือนกันนะเพราะฉะนั้นถามว่าก็มีกรรมซึ่งกันและกันเนี่ยเราทําดีไม่ดีท่านก็รู้สึกต่ออารมณ์นี้ได้นะ แ, แล้วนมนุษย์เนี่ยก็เป็นสัตว์ที่ไปตามภาษานะพราะฉะนั้นคุณสร้างภาษาที่ดีไหมนนในครอบครัวของเราเราอดทนพอไหมเรามีความรักใคร่อ็นดูซึ่งกันและกันไหมคุณอยู่ในมาร์กเท่าไหร่คุณปฏิบัติตามความสอนพระเจ้ามากน้อยแค่ไหนแต่ถ้าเราทําไปค่อยๆทําไปอดทนกันนั่นคื อ, อยังไงมันอยู่ด้วยกันมันก็กระทบกระทั่งกันบ้างมันก็มีแน่นอนอันนี้อย่างพระในวันเดียวกันบางทีก็ต้องอดทนกันบ้างน<ค>ะ พระใหม่บทชมาบางทีทําอะไรไม่ถูกแล้วก็อดทนก็ยบอกอยิ่งสอนกันไปอืมใช่ก็แปล ว, ว่าถ้าเป็นเช่นนั้นนะคะมันหมายความว่าอคนเราที่มันเกิดมาพบป ะ, จะเจอกันไม่ว่ามีความสัมพันธ์อย่างใดอย่างหนึ่งแต่ถ้าทําให้เรามีอารมณ์กับท่านทั้งหลายเหล่านั้นได้แปล ว, ว่าเรามีกรมกรมเก่ามาได้กนอมใจโอ้โลคใบนี้มันจริงไม่น่าแปลกใจเลยนะคะอืมว่าอทําไมเราถึงต้อง มาอยู่ในสภาพแบบนี้ทําไมมีที่ไปก็ต้องเยอะต้องแยะต้องไม่ยอมทนวนเวียนจอมเจ้าอยู่กับอะไรที่เป็นกรรมเก่าของเราใชก็เพราะว่าเป็นกรรมเกา่าอุ้ยแต่แก้ได้แก้ได้แก้ได้พอมีกําลังใจจริงนะคะอืมท่านมีอะไรเพิ่มเติมไหมคะไม่งั้นเดี๋ยวดิออฉันจะสรุปตัวอย่างตัวอย่างที่เราเห็นชัดเจนนะอย่างเช่นสูนามิที่ญี่ปุ่นอย่างเงี้ยบางคนเห็นแล้วก็ไม่รู้สึกอะไรก็เฉยเฉยไม่มีความรู้สึกอะไรแสดงว่าคุณไม่มีกรรมเก่ากับสิ่งนั้น แต่บางคนเห็นแล้วโอ้ยเป็นเดือบเป็นร้อนต้องช่วยเหลืออันนี้แสดงว่าคุณมีกรรมเก่ากับสิ่งนั้นนี่ก็เป็นตัวอย่างที่เรา้พูดถึงนะว่ามันมีอารมณ์ร่วมกันนะความที่เรารู้สึกต่ออารมณ์ได้เพราะฉะนั้นเราก็แก้กรรมด้วยการเตือนตามมารกมีองแปดนะคะก็เท่ากับว่าจากตัวอย่างของคุณยุพาเห็นไหมคะแค่คําถามเกี่ยวกับเรื่องความสัมพันธ์ในครอบครัวกับปุพภารีคือคุณแม่เท่านั้นเองออสามารถนําไปใช้เป็นประโยชน์กับทุกคนที่ฟังรายการนี้อยู่ได้เลย เพราะว่ามันจะมีลักษณะคล้ายๆกันนันคือมีอารมณ์กับคนที่อยู่รอบข้างนั่นถือว่าพระพุทธองค์ชี้เลยมีกรรมเก่ามาด้วยกันแล้วแล้ววิธีแก้แก้อย่างไรบางคนบอกว่าโห้ขนาดพูดเรื่อง ท, ทั่วไปที่ควรฟังไม่ฟังแล้วจะมาเชื่ออะไรกับการที่เราบอกให้มีศีลให้มีศรัทธาท่านไปบุญก็บอกว่าพระพุทธองค์บอกให้แก้ที่เราก่อนว่าเราเนี่ย<ร>มีมักรือเปล่าใช่ไหมคะถูกต้องถูกต้องนะคะอันนี้แก้ที่ตัวเรา ถ้าท่านบอกว่ามันจะเป็นไปได้ยังไงเป็นไปได้ก็ลองไปทําดูสิ<อ>คะ <ทำ S 1> แล้วจะรู้ว่าเป็นไปได้หรือเป็นไปไม่ได้แก้ที่ตัวเราก่อนว่าเราต้องอยู่ในมัค8ดใช่ไหมคะใช่มัค <Mark S 2> เป็นของใหม่มากของข้าพเจ้าที่กําลังฟังอยู่บางท่านในขณะ น, นี้ท่านไปบ่นจะตอบอย่างไรคะมัคเนี่เป็นเรื่องละเอียดมากนะเราทําให้อยู่ในชีวิตประจำวันคือธรรมะเนี่ยไม่ใช่แค่คุณมาวัดนั่งสมาธิแต่ให้เป็นอยู่ในชีวิตวิถีชีวิตของเรานะเป็นวิถีทำเป็นวิถีชีวิตของเราคือวิถีทางคือมัคหนึ่นง เราค่อยๆทําไปคือบางทีมันมีส่วนผสมส่วนประกอบอะไรที่เราไม่รู้เราก็ค่อยๆปรุงค่อยๆใส่ค่อยๆแต่งแต่มันก็สมบูรณ์ออกมาได้นั่นแหละค่อยๆทําไปอนะคะก็มักมีองค์แปดถ้าสมมุติให้ดิฉันไล่ท่องแบบตอนสอบสมัยเป็นเด็กๆนะคะก็มีสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปปะสัมมาวาจาสัมมากรรมตะัสสัมมาอาชีวะสัมมาวายามะ สัมมาสติสัมมาสมาธิถูกต้องตามลําดับด้วยอค่ะก็ะะมีทิฏฐิชอบมีความเห็นชอบพูดจาไม่พูดโกหก ม, มามองเรื่องนี้เหมือนกับการทําอาหารในสมัยก่อนที่เป็นคราวา่าธรรมชอบทําอาหารมากเลยจอากอันนี้มาผสมกับอันนี้แต่งออกมา น, นี้ใช้ความร้นตัวนี้เสร็จปุ๊บมันออกมาเหม่อม น, น่ากินมันอร่อย เหนะมือนกนรารเราทําชีวิตของเราเนี่ยเหมือนก็เอามักแปดมาปรุงชีวิตของเราให้มันดีขึ้นสดใสขึ้นดีขึ้นสว่างขึ้นงดงามขึ้นด้วยการปรุงอาหารเหมือนกันอย่างเงี้ยนะคือปรุงชีวิตของเราด้วยมักแปดค่ ะ, ะดิฉันหวังว่ า, <ป>วาคุณยุพา<ม>คงจะรายงานให้ทราบต่อไปหลังจากฟังคําแนะนําจากพระอาจารย์ไพบูรณ์แล้วนะคะเพื่อที่จะได้เอามาเป็นตัวอย่างให้กับท่านฟังท่านอื่นๆแต่ถ้าท่านฟังท่านอื่นๆล้ําหน้าคุณยุพาก็เลยว่าฟังแล้วจับโวยไปทําเรื่องของตัวเองเลยทั้งๆที่ไม่ได้ถามมาส่งกันบ้าน ก็ได้นะคะว่าทำมาแล้วเป็นอย่างไรจะได้เป็นประสบการณ์ที่ทําให้คุณผู้ฟังทางบ้านเนี่ยได้เกิดความรู้สึกว่าควรจะเชื่อหรือไม่เชื่อดีจากตัวอย่างที่นําไปสู่การปฏิบัติแล้วก็แจ้งให้เราทราบนะคะดีไหมคะท่านพบูลดีมากเลยนะคะรายการเนี้ยะจะดีใจมากที่เราทํารายการแล้วท่านได้ปรีดิท่านพบูนค่ะกรบาบน้ำมัสการขอบพระคุณท่านอีกครั้งหนึ่ ง, งใน น, ใ น, นะคะกรบาบน้มัสกัดนะท่านคะ่ะ ต้นวังที่ธคารพค่ะนี่แหละค่ะเป็นผลจากการที่คําสอนของพระาศาสดามีสืบทอดมาถึงวันนี้และช่วยเป็นสืบทอดในสิ่งที่ถูกจะได้ยั่งยืนอยู่ต่อไปคําสอนของพระาศาสดาคําพูดแปลว่าวัจนะคําพูดของท่านพุทธวัจนะมีหนังสือแจกนะคะไปอ่านไปใคร่ไปครวนแล้วก็พยายาม ถ, ายถ่ายทอดในสิ่งที่ถูกไม่คลาดเคลื่อนเพราะพระพุทธองค์นั้นได้บรญญาติเอาไว้เลยว่าถ้าหากว่าเราไปฟังคําคนอื่นถือว่า สืบทอดกันอย่างผิดผิดมันจะเป็นทางเสื่อมของคำสอนของพระศาสดาซึ่งหมายถึงประโยชน์ของชาวโลกก็จะลดน้อยลงไปเพราะว่าคลาดเคลื่อนซะแล้วในข้อมูลที่จะนำมาสู่การปฏิบัตินะคะขอหนังสือพุททวจะนะกันมาได้ที่022690006สถานีวิทยุครอบครัวข่าวรายการสังสนีสัมทนานี้พระอาจารย์คึกฤิโสธิพโลท่านเจ้าวาวัดนาปะพงมอบให้มาก็กราบนมัส ก, การขอบพระคุณ และสำหรับรายการของเรานะคะก็ขอเชิญท่านทั้งหลายมาติดตามรับฟังรายการกันได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้วันนี้พุทธวสตรีค่ะ